เป็นอะไรเป็นแค่สภาวธรรมแค่สภาวธรรมของรูปธปรรมบ้างนามธรรมบ้างมีเหตุก็เกิดขึ้นนะหมดเหตุก็ดับไปรูปธรรมก็มีเหตุให้เกิด น, ะนามธรรมก็มีเหตุให้เกิดธาตุแต่ละธาตุแนตะ่ทั่งธาตุแต่ละธาตุกนะ็มีเหตุเกิดเหมือนกันนี่เรามาดูให้เห็นความจริงนะสุดท้ายไม่จะรู้ว่าหาสาระไม่ได้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 แต่ปล่อยได้แป บ, บเดียวก็จะไปหยิบมาใหม่ตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่บวชนะภาวนามีช่วงหนึ่งจิตปล่อยจิตจิตปล่อยวางจิตโอมันมีความสุขอะไรขนาด น, นี้เนาะภาวนามาแทบเป็นแทบตายนะเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยตอนท้ายนี่ก็จิตปล่อยจิตแล้วโอ้มีความสุขมากได้ข่าวว่าหลวงปู่สุวัตกลับมาเมืองไทยมาพักอยู่สวนทิพย์ที่ปักเลศนะอยู่ที่ปักเกร็ด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 ไม่รู้ว่าใจรักจะไปเริ่มตรงไหนเลยนะั้นก็คิดทงมันไปเรื่อยๆนะอีกตัวหนึ่งอารมณ์อีกตัวหนึ่งนะที่ไม่แสดงใจรักษคือพระนิพพานพระนิพนพานไม่มีไตรลักษนิพพานมีเอกลักษณ์มีลักษณะอันเดียวนะคือเป็นอนัตตานิพพานเนี่ยเที่ยงนิพพานเป็นสุขนะงั้นถ้าเราเข้าถึงนิพพานเราอยาสัมผัสสิ่งที่เที่ยงสัมผัสงสิ่งที่เป็นสุขฝากเป็นฝากตายได้เราไปฝากเป็นฝากตายกับของไม่เที่ยงฝากไม่ได้นะ